เกิน้านะไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ก็ปล่อยไปตามมุนตามกรรมนี่เห็นว่าจะพอช่วยเหลือได้ท่านก็เลยมาท่านเป็นมาเองเป็นของหายากในโลกนี้แปลว่าจิตใจคว้างควางมากนาที่เปรียบเทียบไม่ได้งานนั้นนี่ไม่ใช่งา น, นเล็กๆ งานคอขาดบาดตายงานโชเป็นโชตายไม่ไม่ดูได้เลยมองแล้วก็โอหนอโอหนออยู่อาอายู่เหมือนกาเลืกเขีนพอจะช่วยได้วิธีไหนท่านก็มาช่วยถ้าท่านมาช่วยนี้จะลําบากน้องกันไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นวิธีไหนขึ้นข้างบน หินไม่มาซรายม่มาหินขึ้นมาไม่สะดวกทรายขึ้นมาไม่สะดวกน้ำพาระขึ้นมาไม่สะดวกมันก็เป็นไปได้ยากเงินงกี่ล้านก็ไม่พอโลกจ้างผู้ที่จะมาทําผู้ที่ใจบุญก็เป็นของมีน้อยถ้าเมาเขาก็ทำมัดง่ายถ้ารายวันเขาควยใ ห, ให้แต่พระอาทิตย์ตก มันก็เป็นของยากเหมือนกันในโลกอันนี้น่าเบื่อเมื่อเห็นโลกอนละมานอยู่ไม่มีกลางวังกลางคืนก็ยิ่งนึกถึงคนของพระสมมาพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเรืท่านอุษาสร้างบาลีมาสีอสงไขยแสนมหากับเพื่อจะมายกัดทั้งหลาย ให้ออกจากวัตาสงสารเพื่อจะให้ปฏิบัติเตรียมตัวไปภายในพรานเพื่อไม่ให้อยู่ในวัตาสงสารอีกจึงบัญญัติเมานวัตสีลวัตภาวนาวัตเพื่อจะวัดบีเวียงกิเลสของตนให้มาวางและหัวแท็ให้ไปเราลงทุนสร้างบารมีเพื่อนี้สงสารเท่าเม็ดงาน พระบรมศาสดาสร้างเท่าแผ่นดินท่างจะเอาตนเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพุทธทัตถจริยาประพุทธเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ย, ยาตัตถจริยาประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติแก่พญาติของ อ, องพระองค์โลตัตถจริยาประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเราพระพุทธ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมให้นิดหน่อยก็ถือเป็นของลำบากตัวของท่านแบกโลกเลยกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของง่ายๆลงทุนลงลแรงมากมายแต่และยุคแต่และสมัยโดยไม่เห็นแก่ตัวเห็นแกช่ชาวโลกด้วย เมตตาก็ดีไม่มีใครจะเมตตาเท่าพระสมมาสมพุทรเจ้าหรอกสาวกเราไม่ใกล้เลยสาวกลงทุนเมตตาก็เพียงเมตดพันประกาศเท่านั้นพระองค์ท่านทรงพระเมตตามากกว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินอีกตั้งร้อยรโกรธแผ่นฟ้าแผ่นดินอีกอสงไข่อาสงไข่ อ, อีกนะ เมื่อท่านสร้างบาลมีแบบหนักเวลาได้รับผลก็ได้รับอย่างเต็มที่เพราะเหตุสร้างพอแล้วเหตุ ด, ดีสร้างพอแล้วแต่คนโดยมากต้องการจะผลลงมือนิดเดียวพอนั่งนิดเดียวภาวนา น, นิดเดียวอยากเป็นพระอรหันต์แล้วบริจาคทานเท่าแม่มืออยากได้เต็มเป็นฝ้าเป็นดินรักษาศีลขณะดินเดียว ออกไวบ้านแล้วก็ร่วงละเมิดชิ้นห้าก็ไม่บริบูรณ์แล้อะไรอยากได้รับผลของศินให้มากกว่ า, วาเหตุทีนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ใครๆก็เหมือนกันเอาพระบรมศาสดามาเทียบนับตาไหล เราเพียงจะประพฤติเพื่อพ้ทุกข์นวัตตาสงสารและทำให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นที่สะดวกเท่านั้นยังจะเป็นไปไม่ได้ตัวของท่านแบกโลกเลยนั่นพระพุทธเจ้าทุก ท, ทุกประองค์ก็มากกว่าร้อยโกรธจะเพียงกลับก็เป็นอสงไข่อสงไข่กลับแล้วกลับหนึ่งกลับหนึ่ ง, ก, งก็มีพระพุทธเจ้าสององค์บ้างสามองค์บ้า ง, า ง, างห้าองค์บ้าง พัฒกับนี่มีห้าพระองค์บางกับก็มีสองพระองค์มาพิจารณาดูแล้นะถ้าเราเอาความเมตตากรุณาหรือลงทุนลงแรงไปเทียบกับพระสมานพระพุทธเจ้าที่สร้างเหตุมันก็ไกลกันราวกับขอบฟ้าฝ้าก็ยังเห็นริบตีริบลีเห็นดาวเห็นเดือนเห็นพระอาทิตย์ที่สมมุติว่าฟ้า แต่ความเป็นจริงก็เรียกว่าโรคสุดตามองไปมันสุดตาก็เลยเรียกว่าฟ้ายุคหนึ่งหนึ่งคนมนุษย์สัตว์เทวดามารพรมห้เคลื่อนที่มากกว่าไม่เห็นเป็ดาในท่อมหาสมุทรสีมหาสมุทร ที่ไม่ได้ก็มีถมไปเพราะกรรมยังหนักไม่สามารถจะมองเห็นทำคำสอนของพระบรมศาสดาก็ฝากไว้กับพระองค์เจ้าที่จะมาทีหลังอีกความเมตตาในใตโลกธาตุกรุณาในใตโลกธาตุมุทิตาความพอเย็นดีไม่ผู้อื่นได้ไอียในใตโลกธาตุไม่เท่ า, า, ารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยภูมิของเสาเป็นแบบหนึ่ง ได้สร้างบรารมีเล็กน้อยเท่ากับเม็ดพันธพักการดังที่ว่ามาแล้วนั่นเองนั่นไพร่กอม่ า, มาเนี่ยหน่อ ย, ะยอฮะฮะคุณก็เห็นว่ากไปเที่ยวสายเข้าไปเขาจะเยาว์ามาอยู่นี่เอาเละ ม<ะ>พระพุทธศาสนาเป็นเม่องขวัญของชาวโลกชั้นที่หนึ่งศาสนาอื่นๆก็เป็นเมียงขวัญเดียวกัน แต่ว่าไม่ได้ลงทุนลงแรงเหมือนพระพุทธศาสนาต้นเหตุของพระพุทธศาสนาประมานพระพุทธเจ้าผู้ต้นศาสนาแต่และยุคละยุคต้องได้ลงทุนลงแรงมากกว่าศาสนาใดๆทั้งสิน้นพวกเขาเป็นจะเพียงวิธิบายของใช้ปากสื่อเสียง ไม่ได้ไปหาตาเขาไม่ได้ไปตึกค้าสอนของพุทธเจ้าเป็นของทิพย์สอนไว้แล้วสอนแต่พ่อแห้งแล้วอยู่บนบกพองมีเจติพยายามปฏิบัติจะซื้อมู่ห้องก็ถือเป็นของเหลือวิสัยเสียแล้วส่วนพระพุทธเจ้าเธอได้ยุกเลยยุกมาค้นหาเองเพราะถ้อำอั น, นันมันผู้ปฏิบัติถ้ำมันเสื่อมหมดส่วนถ้ำอ น, นันยังอยู่มันมอเห็น อุป ม, มาคือดินถมโยอุปมาคือน้ำถล่มโยกลัวพระพุทธเจ้าสมาวิทย์น้ำออกจากมหาสมุทรทะเลเห็นถ้ำคําสอนของของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต่อสืบมากแต่เลยยุดเลยยุกหน่มันก็เป็นของคอยซึงเป็นถ้ำอันเก่ากระตามมันไม่ผู้ปฏิบัติสืบเนื่องไหวมันขาดยุคขาดสม่ไหมแต่จังหวะไม่ยุกเพราะพุทธเจ้ามาแต่เลยหยุดเลยยุคเลยยุกสืบเป็นถ้ำอันเก่าสืบเป็นถ้ำอันเดียวกันเมื่อในรบหลังพ่อระบอข้องกัน ถึงปวนั้นยังในร่งทุ่นรงแห้งส่างบาลมีมาแมนของคอยคอยนับตาก็มากกว่าดวงดาวในท้องอากาศท่านเนื้อท่านของหักที่สุดแต่ท่านตามากกว่าดวงดาวในท้องอากาศเทียบใช้ท่านลูกท่านเมียอุปมาคือท่านน้อยตา มึงของแพงพนเ้าเนี่ย ม, มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละยุกเลยุกเลยยุกเลยยุกเลยยม้นซาร์ออกจากวัฏสงสารพ่านี่มาเปลี่ยนมนุษย์นํำเพลนยางต่ำยางที่สองก็พ่อจะไปสวรรค์นําเพลนยางที่สามก็ไปพุทธลรุกยางที่สี่สี่เมาความละเอียดขึ้นไปไ อย่างขี่ไล่ที่สุดพ่อให้ได้เป็นมนุษย์นําเพลินเป็นมนุษย์เนี่ยชั้นดีก็นั่นลงไปอีกพ่อให้ได้ไปสวรรค์นําเพลินชั้นดีก็นั่นไปอีกพ่อให้ไปพุมธมรรคน้ำเพลิชั้นดีก็นั่นอีกพ่อได้เป็นพระโสดาบันชั้นดีก็นั่นอีกพ่อห้ได้เป็นพระสักทะาข้ามี สั้นดีก็นั่นอีกไปอีกพอได้เป็นพอได้เป็นพระอานาคา้ามีน้าเพนสั้นดีก็นั่นอีกพอได้เป็นพระหลังน้าเพลินสั้นดีก็นั่นขึ้นไปอีกพอได้เป็นพระปัจเจกน้าเพนส้นดีก็นั่นขึ้นอีกพอได้เป็นพระ ส, สมาน้เพเจ้าน้ำเพหาผู้มีนิสัยเขาก็จะปัตนาเอาวานไว้เม็ดว่างไว้เบิ้เลีย <บด S 2> ย้ยบเบิ้ลเดือดายทีเดือดเอา <Jub ilee> เป็นของใหม่ bağ, ถ้ารัฐมันของเก่าก็เป็นของใหม่อยู่พอเอามาใส่เงี้ยมันเลก็เป็นของใหม่อยู่เอามาปฏิบัติอย่างเลก็เป็นของใหม่อยเอามาจิีบเงยมันเลก็เข้มอยู่เหมืนเชี่วหาปภาสาทมันบัลฟิการเชี่วหาปภาษาฟิการอุปมาคือคนบาปเสียจริตผิดมนุษย์มองจากคุณทรรของพวกเจ้าคืออุปมาผู้กรรมมาก เ่าเกิดมเหลือมใสซะดี๋าว่าชื่อของระสามันบรับคือนคนป่วยมากม้ว น, นจะเพชรจักเข้มม้วนจักขกืนหอดน้ำผุนม้วนจักกินหอดเข่าผุนม้จักตัวขีตัวเงี้ยวพุนอันนั้นไม่เหลือไปใสเหลือไปใสกินฝากไว้กับพ่อพืชเจ้าองค์อื่นองค์อื่นมากิม่าในข่างนาเนี่กครับแม่ก็ไม่เห็นไม่ใช่ในท่าวมาหาสมุทรผุน แจ็คสันพระพุทธเจ้าดีเจ้ามาอางไขนึ่งอาศงไขหนึ่งอสงไข่หนึ่ ง, งนีง่พระพุทธเจ้าจะภาษาว่ากับว่าเป็นภาษาละกับกับหนึ่งมีพระพุทธเจ้า4ี่องค์หองค์ข้งเทียกสามองค์ข้งเทียกสององค์ ก็นั่นก็มากก็อาสงไข่อสงไข่กลับซะแล้วสาวก in ของพระพุทธเจ้าทั <Emily> ้งหลายแล้วนั่นสีหล้ายประเนี่นสาวิกาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนั่นสี่ร้ายประเนี่ยนนับเจ้าพระโสดาบันของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นขึ้นไปแต่เราจึงพละหันของสาวกของพระพุทธเจ้าสาวิกาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ละองค์ละองค์สีหล้ายประเนี่นนั้นสุ่มยั่งยืนเป็นนกนูปู่ปีกบินพ่าน วาผ่านหมอกกี่โมนีเป็นปวกเป็นมดเป็นสัตที่ฉานสิร้ายปานไหนอะะจะนับไหวไครจะไปนับไหวนับนังเมาโูดมันออกสิไว้บอกนับพวกปูพวกปลาพวกลูกสัตว์บกสัตว์น้ำเนม่นมหาสมุทรทะเลแห่งหลายสัตว์อะสัตว์มนี่จะไปผ่านิพผานมดตัพระพเจ้าอ่จักมันพระพุทธเจ้าองค์ใด พรท่านมีขิ้วเป็นถึงพระโสดาบันแล้วสาวกไมีขิ้วแล้วนะยังพานทังสาโ ส, าสาดาบันก็น่ยังพรท่านมีขิ้วอีกละยังวนเวียนวัดปัทถวิญอยู่เพราะยังเดินรอบขอบกระดงอยู่สีเดินเวียนนําทุกน้ำกองทุกไปโสดาบันว่าเป็นทุกเป็นทุกยุทธแท่งเดินพาสุนกลางทุกสิออกขอบทางนอกแล้วบา่าได้เดนเวียนนําทุก ถ้พี่ยันหน้าหมันก ล, งกลวงๆลงมาจงยนลงมาหาแคบเนี่ยแห่งเห็นคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายลายคุณพระพุ้เจ้าทั้งหลายเนี่ยคุณองค์นั้นได้คุณองค์นี่ได้ละลวงไปแล้วก็มากกว่าม่ีไม่ใช่าใทามาหาสมุทรนับแต่พระพุทธเจ้านะเอาพระบกพร่องนับพรวิกกับพระตองนับพวกไปสวรรค์กับพระตองนับ อปเพิม่มกขบต้องนับหรอเอานับแต่เฉพาะพระพุทธเจ้านี่ยหยังชี้มา้างหน้าอีกอัคโคล่วงไปแล้วกับอัคโคนับเป็นอาสงไขยอาสงไขยเป็นถ้ำอันเดียวกันขิงนิ่งรวดที่มันเสื่อมไปไมันก็เสื่อมเป็นยุกเป็นข้าวก็คืออุ ป, ปมาสนามมหาสมุทรสีมหาสมุทรหรือ6มหาสมุทรบอกไม่ป โลกเน้นติกยังนาหน่วยน้องข้องมือบางมาไล่ลงปะหารด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาสางบารมีพ่ะที่เป็นพระพุทธเจ้าอุปมาคือศีรษะนามหากสมุทนานมันแห้งคอบางพระพุทธเจ้าเป็นศาตกแตชาาเป็นกแตทีปรารถนาพระพุทธเจ้าเอาหางเปดวิทนามหาสมุทนน เพื่อจใจมันแหงสามารถชีวิตวตายค่าสามาั อ, อควบสามารถถึงปานนั่ะควมเพี้ยนถึงปานนั่ะควมพยญญาห้ามกันเดียวกันความศักดิ์เจริอธิษฐานกันเดียวกันควบเจตนาและควะบผสมกันเดียวกันสามารถชีวิตแต่มันแห่งมันที่แหงจังไหนงงของฉันชีวิตขึ้นไปจะฟักมันกระซึมรงของเกา่าปานนั่งควมสามา่ะ ใหยอันมูเฮ้าเพื่อนคนมาให้แล้วเขาจอกผอกอยู่คำสอนของเคนในยุคนี่ยังมีพระไตรปิฎกครบอยู่แล้วไตรปิฎกข้างทางหน ก, ก็ครบอยู่ไตรปิฎกข้างหน้ายายว่าจาใจก็ครบอยู่สองแก่สองหัวหนึ่งพระมหาเส่าปฏิบัติเพื่อพูดทุกข์ผลสงสารก็ยังสิยักถอยหลังอยู่เสียกว่าบาลามิเขายัางอ่อนแกมอยู่ เ้าที่แอบกินน้ำออนแจมอยู่กับบาราอีกต้องพยายาม่างให้มันบวกขึ้นบารมามีเราต้องทำยางยอมมาสิ้าวจะไปแอบกินแต่น้ำตาน้ำยอนมาเก่าบารายบุคมาคือข้าเป็นคนทุกข้นจนนั่นสิข้าวจะไปอแอบจะเป็นจะข้นทุกข้นจนปวดหัวห้ายปวดหัวหน้าวัทน์มาหาอย่างซีปวดแท้งจนลงไปเรื่อยอันเดียก็ห้าที่แอบว่าบรารามีข้าวตำนี่แะ ข้าว่าษางเงกดจังไลยมันสีสูงเพราะใช้ภาษาอะไร้าวข้าเรื่มงสายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธศาสนาเป็นรักขึ้นแล้วก็เรียกว่าข้าวเนี่ยสางบา ร, รมีคู่นบาลมีอยู่ประจำวันอยู่ในนี่เดี๋ยวอาจะไหัพอข้าว่าเป็นมีสาที่ขี้ดเพ่าเห็นผิดจากคานองของถ้ำเด้เสืออไไ้อเลยด้เสือ้อคาสอนของพุทธเจ้าลงแน่นอนล่ะ เฮ็ดน้อยก็ได้น้อยเฮ็ดร้ายก็ได้ร้ายล่ะอื่มห้องไฟห้องมั่นเนี่ยได้ร้ายได้น้อยมันก็ได้ร้ายึ้นกับใจน้อยมันก็น้อยร่วงกับใจเฮ็ดเนี่ยมันก็ไปย่อกันผลของข้อมีข้ามหรอยุคกับใจคนของข้อมันกับยู่กับใจกันเหตุผลมันไปรับร่งหันผู้อื่นบ่ได้มาแยกรับด้วยห้องไฟห้องมั่น พราะเทศบาปเพื่นับรับบาปเอาใจเพื่อนเพราะเทศบทุญเพื่อนขับรับบาปบุญเอาเมื่อ็ขาไปไกับใจห่าหาบุญหาบาปจะไปหาบุอื่นมันจะเห็นบอกหาความสงสัยจะไปหาบอื่นมันจะเห็นบอกวหาหาใจหาความสงสัยจะไปหาบุอื่นมันจะเห็นบอกว่าหาใจนี่เมื่อห้อบาบุเป็นบาใบเสียจริตพิษมนุษย์ละจักนับหนึ่งสองสามไปหอดิบไดละ เขาเรียกว่ามนุษย์สาปฏิลาโพธิที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในราบัญญานยังจริงเพราะท่างมนุษย์เป็นซุ่มทางนี่จะเป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ว่าเป็นบาปเสียชริตพิษมนุษย์ก็าเรียกว่าใดซุ่มทางทั้งสี่แผงเลยแผงหนึ่งไปมนุษย์สวรรค์พุม่มนิพพานแผงหนึ่งไปสัตติธัชาน ไปสูร่ร ก, กายแผงหนึ่งไปนรกถ้าจะไปแผงไหนข้าก็เลือกได้เลยได้บัตรพ้าว่าเป็นคนบาปเสียจะดีทพิ ษ, พษมนุษย์ได้เพราะวงเวียนใหญ่มันอยู่ี่นี่ถ้าจะไปเ็จไหนเราก็เลือกได้ พเพราะเรเป็นมนุษย์แล้วบาดเนี้ยว่ า, า, าเป็นคนบาดไปเฉลี่ยผลิดมนุษย์ใจดวงเดียวเที่ยวท่องสามเด้วพอแล้วกิเลสมากเป็นนนาเนราพที่เดีเที่ยวท่ อ, ทองสามเนี่ยพอแล้วออออกิเลสมะอบมะอ้อมต้นใจจะเท่าต้นใจดวงเดิมทหันารท่านก็บอกว่านี่คิดดวงเดียว ถ้าดวงเดิมน่ะดวงไม่มีโรยไม่โกรไม่หลงพู้ที่ส้คนคณาผ้ามันไม่ร้ายมันมีร้ายดวงกระดวงเก้ามันเปลี่ยนสีที่ซื่อคือผักขาวเนี่ยถ้าม า, าสาของผ่ามันขาวอยู่เอาสีข้ามมาหยอก ม, มันจะเป็นชี้ขาวเอาีเขียวมาหยอกเป็นชีเขียวเอาชี้แดงมาหยอกเป็นชี้แดงนี่ไปน้าสีมันสีมันคืออย่างถือคือคีอ้ออเลสคือมาคือผ้าอาทิตย์ าอาทิตย์ซองแสงกายอยู่แหละแล้ ว, วมีกวางเงินขึ้นอาศัยมีแนวบังคือดาวมักวางเงินมันก็มีอยู่แต่อาศัยแสงพระอาทิตย์กาอะไรพอเห็นแสงพรอาทิตย์กากลัวเสียงพระอาทิตย์เปียบเหมือนปัญญาถ้าปัญญากาล้ามันก็ทซองเห็นมันปัญญาผันเกณก็แสงพระอาทิตย์ปล่ห่างแสงพระอาทิตย์ ที่ฮุกเขาที่ต่อหัวหองเขาวันนี้มันบังมันกับวัชมะที่ทะลุได้ส่วนปัญญาทะลุได้วัดทะลุหอดแผ่นดินมันก็ได้ลงใต้น้ำมหาสมุทรทะลุหอดภูเขาปัญญาปัญญาคณะเดียวทะลุหอดภูเขาทะลุวัดในใต้โลกธาตุ เห็นอันนี้จังสัดมันก็นทะลุมัดเลยเนีเพราะในทัพย์ไตโลกธาตุมันอยู่ในอำนาจอันนี้จัง อ, นนอันนี้จังผู้ปกครองเนี่ยอนนี้จังเนื้อไปกลัวเละทุกข์ก็บเนื้อไปก็ไต่โลกธาตุแล้วผลของไต่โลกธาตุคือทุกข์นับปัดในไต่โลกธาตุว่าจะเป็นกองน้ํำรูปที่มีน้ำไม่รูปอยู่เละอยู่ในไต่โลกธาตุทั้งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันแตกชราย เมื่อู้ชัดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันแตกสลายบยอยู่ในอำนาจเขาพูดได้เรียกเขาว่าโรคเขาไปทูคือกันลูกแกงโรคพรนิพพานไม่จัดเป็นโรคเด้ไปพระนิพพานลไม่จัดเป็นโรคปั๊ดสวรรบันสักท่าข้ามีอนาคข้ามี่ไปจัดเป็นโรคลูกแต่ห่างเป็นโรคไฟเจริญไฟก้าวนาซิก้าวนาไปทู่พระหลนงองชันเอาโรกแม่อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ดี ก็มีหน้าที่ที่เนืออันนู่นนี่ไปอยู่มีหน้าที่จะเกิดสูงกว่านี่ไปอยู่เพราะบ่จู้ใจบ่ต้องการอยู่ติดยุ่ที่ในเพียงพระสดาบันกับพติดเพรายังเกิดขึ้่นแปลงฝนในแต่สลายสติดสกุาขามนีอันนาคามนี่กับพติดผู้มีปัญญาเลี้ยวมันกับเลี้พืชโหลดขึ้นจรวดนี่เลยขามเลยเพื่อรัดนมือเดียว จิตสัตว์จงมาปัญญาส่องเมื่อใมืดนักที่ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอตัวปัญญาเลยหนึ่งมาปฏิบัติในวัจ้าทสงสารในคำสอนของพุทธเจ้ากังวลว่าศีลมาต่อสูกรักกิเลสจะคลองเนี่ยบริตรสูงเนี่ยอื่นเรื่องเขาต่อสูงเนี่ยอื่นก็น้อมมาใส่เป็นเครื่องต่อสูกกิเลสวัดขอวัดปฏิบัติอันใดก็ดี เพื่อประโยชน์ตนน้ประโยชน์ผู้อื่นในส่วนร่วมก็ดีเกี่ยวของก็ส่วนร่วมก็ดีถ้าคิดเท่าห้าเป็นปรมาจมันก็กลายเป็นปรมาจารยวัดคือดอกไม้มุ่งเนี่ยห้าบุทราพระพุทธธรรมประสงค์บูชาคุณของพนที่ได้มาโดยทางสิจ๊อบที่นมุ่งห้าก็ไปในน้อมเป็นอาวิตณสาวบูชาเลยห้าน้อมเป็นปฏิบัติบูชาคุณน้อมเป็นปรมาจารย์เพื่อคนทุกในวาระสงสารโดยด้วยอันผุ่น ของที่เป็นโลกคีรกลายเป็นของโลคคนตะละมัดมันขืนอยู่กับเจตนานี่ยน่บอาสั่พุทธโพษคนเดียวสิหวังเพื่อพ้นทุกขนะ์นวตาสงสารบรันน้ว่าพวกเป็นธรรมเนียมวัไดี้เลือกพวกเป็นธรรมเนียมมันข้นอยู่กับเจตนาเจตนาหังทุกขเวสีรังวัฏามิสมาธิวัามิปัญญาวัทามินิพิทาวัามินิมุตตานิพานิวิสุทธนนินิพานินิพาน มันคือเดียวกับเกจตน า, า น, นาเมื่อไงที่ท่านเมื่อที่พบพระนครเนี่กระตามขันพัวเฮ็ดอวดเฮ็ดอ้างสิรักษาศีลจนขุ้มผมขุ้มขนโลนที่กินแต่ข้าวกัะเกือกระตามหรือสิบงที่กินยังกต็ตามตายค่าหารก็ตามขันนี้เกจตนาหวังเพื่อจะแข่งโลกแข่งสงสารพายนอหวังเพื่อจะห้าหลายพระอริยไอ้ทนนี่สองก็มีหลายอยู่ว่าอย่างไรใส่ มันอกลืนยุคกับเจยตนาทั้งนั้นของมันนี้ทำหนอยได้ร้ายทำร้ายได้นอยมันคือเป็นเรื่องที่แหละผนแห้งเฮ็ดร้ายผนแห้งได้ร้ายผลแห้งปรารถนาหลายคปรารถนาก็วเกตนาอนี้อันเดียวกันกับควมประสงค์กับอันเดียวกันปรารถนาแล้วมันเป็นกิเลสัตว์ลังคนโอยวกเห็นหน่าเดียวโคตพระพุทธเจ้าสงว่ามนเรไม่มากเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบอได้ว่าเฮ็ดตามก็โยกขี้มากันกล้วยเด้เดี๋ยวถ้ามันจไปบได้ว่าเด้ นั่นก็เอาเบาสุกสูว่วาจาบอ่อนของหนองเนื้อทำมาเวไ น, นเมื่อเรื่อวิสัยของเราที่พอจะทำได้จิตใจน้องเพื่อผนทุกนาวนตาสงสารสิ่งเดียวเท่านั้นลดมวนลงบนเดียวเท่านั้นพรเจตนาต่างอะไรบนเดียวเท่านี้น เ, เจตนาตังววางอะไรบอลมันกระเตสานามโมกันเนี่ยมุสนะสิทอดเจตนาเนีวว่ยโหสัตว์อรู ผู้กวดเพื่อนบาทจริงๆสิผมไม่ได้กวดเพื่อว่าอยาเพ่น่าตกขีข่ายขนอมทั้งเพื่อคนทุกข์กับเป็นเมื่อเือกายเป็นโลคพุตตลาเกจตนาเมื่อหลอใสแบบฟื้นโดนหนึ่งมื่อนี่ผ่าตดบาทหนึ่งมื่อนี่หมอเพาดพ่นมาตัวม่อีคอวัดเพ็ดพ่อแก่มืงอแกเว้นไปนี่สิมันกับว่าถือกันเกจตนาเป็นของสาคัญที่สุด เป็นยังจังเกียตหน้ายัางสั้นเพชจังไรเกีตหน้ามันจังสี่นิน้นก็เพราะมันเห็นไฟในวัดตาทองสาลดิยางเต็มทีดิหลอกสั่งจิตใจของโม่เฮานี่ขัดเสิบพวกเอาพระพูดพระธมพระสงฆ์เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องประพุทธปฏิบัติ บอกคำสอนของโกติเจ้าที่สอนมาเนี่ยเป็นเครื่องปฏิบัติมันกับโมไม่ขอบยียดเอห้อาวที่เฮตุทำไมถือใจห้าวเหตบมึงรูมันถือใจเ่ราะสันของห้าอย่างนี่นมันถือาตามันกับมถือใจหูกับมันถือใจดังมันกับมันถือใจเพราะันดังกูซิเลียมเนี่ยมันคนีิดจาใครได้ละเมอแต่ตัวอืม นาก็ะบะถือกับใจนากูนี่ก็ช่วยใบพ่อได้สุดที่ใครได้แล้วแมคกูไปเหน็นคือสวยแ้เพราะว่าพรา ก, กูคือนุูมไให้แฉเพราะว่าคือพ่อนมันหนาักกันเดียวกันอันนี้ไม่ได้ไปถือกับใจกับเกิียมันบูมีด่ดอกแม่ลูกันนี้ขันบุญมันพ่อแล้วเมื่อก็้เขาสู่พ่อในพ่านเหมือดไผสิเป็ดพี่บ่ามาอยู่น้ามนี้ บุญคือควมดีมันบ่พ่อควบสัวกันยังละบ่ท่านพ่อขันควบสัวละพ่อควมดีมันกะพ่อคือกันขันควมดีพ่อควบชัวมันก็ละพ่อคือกันมันมีข้อหมายเดียวกันจึงพยายามมาสร้างควมดีนี่แหละสร้างตามคำสอนของพระเจ้าห้าประพฤติ หวังเป็นสาวกสาวิการไม่ได้หวังเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่ได้สร้างบา ร, รมีทอเพิินดอกอันเพลินไม่ได้สางหลายหมาก็ไม่หินเม่ทรายมากเขาแผ่นดินแผ่นฝ่าแผ่นแดดแผ่นลบเหมือนเพลินสางบา ร, รมีมาจังได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเรายุบถ้ารายุบซึ่งเป็นถ้ำอันเกา่า พล้วพุทธเจ้าล่วงไปก็มากกว่าร้อยโกรธชิมาเอกก็มากกว่าร้อยโกรธอสองไขยอสองไขยอสองไข่ผลเป็นถ้ำอันเก่าล่ะไม่มีถ้ำอันใหม่ดักว่าได้ดัดแปลงอันใหม่มันขาดไปยุคนึงยุคนึงสิไม่พูดได้สืบเห็นเพิ่มมาเกเป็นยุคเป็นยุคผนก็มาสืบหาค้นหาอุปมาคือขวดแผ่นดินนะสองแสนสี่หมื่นโยดผลจำไปเห็นถ้ำอันเก่าที่ว่าพุทธเจ้าทั้งหลายแต่และยุกระยุกอุปมา มันทับมันมถมถิ่นอยู่เป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคบ่ได้ล่างโคตรไม้ไม้เือส้าโหลกของเฮาส้าโหลกของเฮาต้องล่างเรื่อยกคตไม้อ่ะพ่อพุทธเจ้าเด๋ยบ่กคตของถ้ำบ่ได้ล่างไปไซพ่ะพุทธเจ้ า, า, า, ก, า, ไไจากับบ่ได้แดงเป็นจะมาเลี้ยงให้เฮาเห็นไหมซือนี่อันนี้เลี้ยงมานี้อันนี้เลี้ยงมานี้อันนี้มีคุณคา่าสานัดอันนี้มีคุณคา่าสำนิ มี่ประโยชน์ท่านนัน่นนี้เป็นโทษท่านนั่นนี่เป็นโทษจริงๆเข้าเสีเลี่ยงให้เบิ้งได้หอันมุนีมีมาตรกรแล้วเข้าหัวก็มาเห็นมีมาแต่อขัาพระเจ้าองคกรพูนบ่ามันเข้าเสมาแตงเอาเป็นเจเลี่ยงให้เข้าเห็นปเป็นแน่ๆนั่งให้เขาเห็นอยู่ อ, อย่าง่าภูเพสุเม ม, มีอิจการเข้าเลยมีอิกรพระพทรุทธเจ้าทั้งหลายพระพทรุทธเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นก็มีถ้ำอยู่ พระพุทธเจ้าทั้งหลายพรเกิดขึ้นก็นไม่ทำแต่แห่งมวยผู้สอกเอามาว่องให้ฟังได้ก่อนเสมีผู้มาสอกเอามาว่างให้ฟังเอามาปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างเห็นมันก็เป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคของพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงทุนลงแห้งหลายก็เห่าเห่าลงทุนลงแห้งเพียงเม็ดง่าเดียวเท่านั้นแหะเพิ่นใหญ่ก็ผู้เขาเสมา น, น่นละใหญ่ยยก็เพิ่นดินแพ่นฟ้าผลเจ้าเลยมาเป็นโจรมู ถึงยังนั่นผู้กิเลสหนาะเป็นย่าอยากก็ยังบอยยอมเสืออยู่ก็ย่อมเสือก็ซะเหลือไว้ใช้เราฆ่ากับสิมอบไปให้พระพุทธเจ้าองนะเพื่อนกับพดีใจเสียใจอีกอยัางเพื่อ น, นเอาสวิงไปสอนมึงมันบอกฆ่าสวิงเพื่อน่ะมันห ล, นลอดหลเหรอเพื่อนกับปอยเรียกว่าอุบเบกขาส่วนมหาเมตตากับมหาเมตตาพ่อแห้งก็รู้หน้าพ่อแห้งซึ่งได้ถูกเพื่อนกับอนุโม อนุโมทนาเหลือก็โมทิตาความพอย็นดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาความวังเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อท่านผู้อื่นถึงความเิบัติเพราะไม่รู้จักภาษาญิหนยิเหนิกันเหลือวิสัยเสียแล้วก็บอมันพจนิติตอยู่ห้อฟั่งควบเพลินห้อปฏิบัติตามเพลินกตบ่พจนิติตอยู่ห้อบ่ฟั่งก็บ่พจนิติตอยู่แต่หนาเที่ยงเพลินมิเพลินห่างว่า พระองค์กลาว่าสันพุทธิได้เพ่งโทษเพนตอนนั้นข้าพรเจ้ากับทนหในสอนพิกุสมาเนนท่านสอนอุบาสกอุบาสิกาเทวุธเทวดาอินภพยมยักเพินกติได้เพ่งโทษเพินเมื่อเพนเข้าสู้พรในผ้าน่เพนม่มีบอเพ่งโทษเพิินตอนนั้นข้าพเจ้ากับพระในสอนโลกทั้งสันทังีเพลดเพ่งโทษเพลินเหลือไปไซมดแล้วเราจะล่าทันไปละ่าน สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดขึ้น แ, แล้วแปรปวนและแตกสลายท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพ่ออัด้วยความไม่ประมาทเถิดแต่นี้ต่อไปเราตถาคตจะตั้งใจเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานละส่วนสัพปะทิเสธนิพพานเนี่นไหนเป็นรักละ่ะมีแต่ดับจริยามคจิตแหละเพื่อเขาสู้นิพพานฝ่ายเซวงเวิง คำสอนของเราตถาคตนั่นเองอานุนเธออย่าไปเสียใจเลยจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายแทนเราทถาคตคำสอนแต่ละบทละบาทนั่นเองจะเป็นศาสดาแทนเราทถาคตเธอจะมาโศกเศร้าเสียใจทําไมเธอปฏิบัติเรามาไม่หวังเพื่อลาบเพื่ออายุตเพื่อยศอันใหนอนุ์เอ๋ยปฏิบัติ ด้วยความปาถนะของเธอตั้งแต่ชาติพระอนมะุมัตศีที่ปราถนาเป็นพุทธอุปถากเธอก็ได้ตามความผสมของเธอแล้วทีนี้ทำอร่รับที่ไหนเราจะทาคตก็มาไี่รีรับกับเธอเลยหรือกับคณะสงฆ์เทเวดาและมนุษย์ทั่วทั้งใจโลกธาตุแล้วมดสิ่ง ที่จะปาลดและบอกและสั่งและสอนการสั่งสอนของสถาคตด้วยอุบายขู่บ้างด้วยอุบายปลอบโยนบ้างด้วยอุบายบันจงบ้างทุกๆอุบายแล้วเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทเถอิดประมาทใดซ้ำปาดีท่าติท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพ่ออมเน้อเราจะลาพวกท่านไปละ อย่าโศกเศร้าเสียใจกับเราอะไรเถอดเพราะเรามันมีที่นี่รับแล้วห้าวาได้ไปสอบไปคุณเรี่อยมีแต่เอาคําสอนมาเพิ่มมาปฏิบัติสื่อเด้เนี่ยข้าแม้นอาหารก็บห่อนวูวูอยู่บุญแม้นอาหารที่แสลงมีแต่เนื้อไม่มีมก่างสั่งอาหารโม่ห้องกินอยู่เสมอยังมีก่างอยู่ยังได้เลือกคือบัดกิน พราะกับขึงงานึเย่งหัวจิงไข่กับตามว่าละก็มีกลางกับพ่ออกป่าอไมีแต่าอาหารโดๆบวบบดบนเอาคืออาหารเนาเขาก็มีตะล่างมือเปิ่อยถนัดเขาปฏิบัติตามคาสอนของพุทธเจ้ามากนี่บนได้มันเป็นโทษฉันบนได้เฮ็ดถือพเห็นมันเป็นโทษมันก็นเป็นโทษแต่บนเดาเฮ็ดผิดเน่ยช่นั้นผู้ขาเฮ็ด ถืกแล้วมันสามารถเป็นโทษด้วยข้าวบดดิมีแนาวานี่มีแต่ว่าโอ้ยได้เห็ดผิดอี๋บนหันเพราะว่า เ, เห็นเหตุถืกแล้วผม เ, เห็นว่ามันเป็นโทษคือข้าวอะไรแล้วยวกข้าวฮ้อนน่ะ เ, เข้าวเอ็จากลูกจากเมียด่ะมีผู้มาตัวข้าไปนอ่งน้ำลูกน้อเมียบริสันนั่น โอ้ยผ eh, ู้ขากะเว้นจากลูกจากเมี่ย อ, อะไรยังมาขึ้นร่ขึ้นศาลว่าผู้ข่าไปนอน้นน้ำหลวงน้ำเมี่ยอยู่มีผู้อาบอกสกนนะผู้ข่าละหล่าจังเปล่าบอกบอกเห็นว่าเนี่ยบเห็นมีผู้ขาเว้นจากข่าสัตสัดีเดียังมามีผู้มหาว่าผู้ข่าไปข่าผู้ขาค้ขนข่างว่าข่าขั้วอยู่สันมีผู้ไม้บอกมีจ้าคดีบอกเขาก็ไม่ได้กินข้าวแรงแกงห้อน เน่นองนั้นกินข้าวแร้งผู้ขาเห็นาหาออนี่ว่าหันพระองค์นี้กินข้าวแร้งผู้ขาเห็นยังว่าเนี้ยมเห็นผู้ใดมาถ่วงเห่านั่นพระอง์นั้นไปใส่เบ็ดจู่หันพระอง์นี้ไปตึกป่าอยู่นี่ม่เห็นผู้ใดว่านั่ น, น, นช่วงไหนเขาละบ่ได้เหาปฏิ บ, บัติบ่ได้มันก็เป็นเรื่องของมูเห่าตั้งหักว่าเป็นเรื่องท่ามของพระพุทธเจ้าว่จริง ถ้าทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วตามส่วนควรค่าของเหตุที่ปฏิบัติน้อยและปฏิบัติมากเข้ากั่งหฮมโฮมหรือว่ากั่งเฮ้าเฮ้าจะว่าอะงรสักบอกเขากั่งหฮมขาดหฮมขาดก็บกั่งเฮ้าเื่ากันเขากั่งหฮมดีหฮมดีก็บกั่งเฮ้าเท่กันเขาอยู่เฮือนหัวเฮือนกกหัวแต่หัวเฮ้าเขาอยู่เฮือนดีเฮือนกโกหัวใจอยู่ว่าอย่างไรสั้นหนัก พุทธะจริยาทรงเพื่อประพุทธเป็นพระพุทธเจ้ายาตัถจริยาประพุติเพื่อเป็นประโยชน์แก่าญาติโลตัทธจริยาทรงประพุทธเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกอันเฮาเนี่ย่ได้แบกโลกปานนั้นไม่ได้ร่ทุจร้ายฝันเพลินเป็นเพียงความเฮาอยู่ในสังคมไหก็ทําประโยชน์ในสังคมนั้นโดยมโนกเนื้อทำไมาไม่ในก็มัดเรื่องไป ถ้าพระที่เจ้าแบกโลกสางบาลามีก็ร้ายก่อเห่าเวลาเพิ่นได้รับเพิ่นกรได้รับอย่างพ่อใจคือกันเมื่อสางบาลามีเต็มเลยแล้นี้เหอานั่งพาอวาหน้าดำบาดเลยอยากพอไปคือพอโมกขล่าเนี่ยอยากให้สาเร็จพ่อหลัหันโหลดกบาลมีเห่ายัางพัดแก่กาที่บาลมีเห่าว่าหันแก่กาเห่าก็ทิแอบกินยุหันมันกับว่าไร ก็ปฏิแก้ก็เป็นเท่าเป็นผู้เฮ็ดเอ้ยอผู้การนี่เป็นคนงอหงักยังไม่เสร็ก็ต่ว่าปฏิแอบกินใโงอขนาดธรรมดาภิกษุผู้ศึกษายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรใจเถียงตายถามไ้เรียงท่านเพลื่อมีอยู่ในพระวินัยก็ได้ภิกษุต้องอภัตแล้วแก้งพูดว่าข้าไปแก้เพึงรู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้อนี้มาในพระปาติโม ถ้าภิกษุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาแต่ก่อนแต่พูดกันเขาว่าให้เฉยๆต้องสวดประกาศความข้อนั้นเมื่อสองสวดประกาศแล้วแก้ทำไม่รู้อีกต้องไปย ต, ติธรรมดาภิกษุผู้ยังไม่รู้สิ่งใดผู้ศึกษาก็ต้องศึกษาจะไม่รู้สิ่งใดก็ต้องรู้สิ่งนั้นควรแต่ถามให้เรียงท่านผู้รู้น ม, มันมี่ โอ้ยวัฒนาตัวมันอ่อนเลยตัคุจักก็มันอ่อนโยกกระสางเขาตัวตัวโอ้ยผู้ขานคนสี่ขานะแสดว่าคุ้จักวเปส่าดโยกเข้ากับพญายามมันเขาตัวตัวโอ้ยผู้ขาคนมุทมทลุโอคุจักรมุททะลุโยกกับจหงมันมุททะลุบอกกับพญายามันตัววิริย์ทุกขมัจเจติคนร่วงทุกได้เพราะความเพียร วาอย่ามีเถาวะปพุริสูเป็นชายเป็นหญิงก็ดีถ้าพเพียงเรื่อยไปเอตุยังก็เหตไถตูมดเหตไถ่ใจมดใจบปฏิบัติน้ำคำสอนของพุทธเจ้าสไปปฏิบัติคำสอนของผีหฉัว่าคาสอนของพุทธเจ้าสอนใจด้คนตายก็สอนวอกิน คนบ้าบ่ายเสียชริตผิดมนุษย์เหลือวิสายแหละพระพุทธเจ้าก็อุเอ้เบกยดขาปล่อยไว้ท้าพระพุทธเจ้าองค์อื่นผลหมาย ไ, ไว้เสร็จแล้วลเขาใช้กรรมเขาเรื่อนั้นเสียก่อนแต่แผ่นดินเมื่อไหร่มันต่ำเขาก็จงพยานาคประทุขึ้นเมื่อไหรมันสูงพอเฮ็ดใหรเฮ็ดหน้าอะไเขาก็พญานามคุดลง โมแม่ทอดซอตามขยี้ี่มาขันกลวดขูแลแนมนกบรบ่ไปตามบูตามกรรมร้อยนามพกกวกอันกรรมกิริยาที่ร้อยนามพวกวกก็เป็นกรรมอันนึงคือกันเฮ้ อ, อย่างพมทั้งยังมาตามบูตามกรรมยังเบิงต่อเบิกขวบเบิกน้ตามบุญตามกรรมรับตาไปบปรูปกลมทอ น, น าหารมันยังบูดเป็นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยบูดเพราะเป็นเลยพยะอามาปฏิบัติกับโมลือกษันวันนะโมคือสายซอยสายตาโมคือหน้าดิโกงนี่กะหน้าดี่กงนี่กาพูแครเมื่อคือกับจังคือเลยผู้บอกคือกับบอกคือเลยมันเก่งลังไหมนี่ผูดจังคือก็บจังคือพูนึงบุกนุงบอคือกับบคือ รับตัวเนี่ยมันกับกาอยู่ข้ระวาดับนุ่งผ่าสโลงพกยิ้งยันสังสะสะสล่ะมันจะเขาจิตวิพัฒ์กันผ่าผาดบ้าสล่ะนุ่งกางเกงหลังกางเกงเหล็กอียง้เพื่นัมันบอเขาที่ละคนสศ้าหน้าคุนบังชิญย่างมันจะมันแน่วมันถือขวรนผลค่อยของมันอันนี้ครำสอนหลงพที่ยวหลวได้เป็นุกอ่งไปเอาไปปฏิบัติก็ง่ามมัด ทำมันทาให้งามสองอย่างทันตีความอดทนโชดจักะความงเสี่ยมบุคคลหาในายากสองบุคคลผู้ทาอุปการละก่อนกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้ทาอุปการละแล้วได้ตอบแทนทำสองอย่างเนี่ยเป็นของหา ย, ยางามบางที่ผู้น ห, นนหนึ่งเฮ็ดคุดหน่วย้ายผู้หนึ่งหยปตอบหน่อยซะ พู่องเฮ็ดได้หน่อยพูดเองบทปบหลายเลย่มาเป็นทำห้าในอย่างหพุทธเจ้าสอนวัดเลยมตรเล่บกลางคนมาบอกมาสอนกันทั้งนานวในสกลละกายของห้า พ, พุทธเจ้าสอนวัดเลยพระไตรปิฎกออกปวีณากสกลละกายสกลลว่าจารสกลละใจนี่พุทธเจ้าก็ราสอ น, นอสั่นทงถุงหลวงหลวงปู่ปมหม่าดอกบวัวตตูมเลย มันอบรมบ่มในสายมาแต่พพุทธเจ้าองค์กรเนล้วพุทธเจ้าเทศะใส่ย่อๆเลเข้าใจขวหมดเลยสุปะทะปมะมีบทเป็นอย่างยิ่งพอพุทธเจ้าก็ดีว่าหลายปากหลายก็ขังมพุทธเจ้าห้องพ้นปฏิพ้นปฏิวัติก่อนพ้นจังปริยัติที่หลังนี่สัตยธรรมถามปฏิบัติปริยัติปฏิเวสปริยัติปฏิบัติปฏิเวส เนธนะคือพ่อท่องสกุลตอนนีป้ ป, ป, ป, ปฏิบัตรประะิปฏิยัตดก็ยัดลงที่กายวายจาใจปฏิบัติก็ปฏิบัติกายวายจาใจปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติกายวายจาใจที่ปฏิบัติน้อยและมากถ้าถูกมากก็ได้ผลมากถ้าปฏิบัติผิดมากก็ได้รับผลผิดมากถ้าปฏิบัติผิดน้อยก็ได้ผลรับผลผิดน้อยถูกก็เหมือนกันนะ อภรณกาปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างคนชั้นไหนเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดฉลอมินทรีหกคือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไม่ให้ยินดีย็นร่ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องพลทัพอด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจโทชเนมะตันยตารู้จัประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยชาคณียานยโยคะอ่านเป็นโยคะ ถ้าไม่อ่านเป็นโยคะชาคณิยานุยโยกประกอบความเพียรเพื่อจะทำใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแกนอนหลับมากเกินไปการนอนหลับกลางวันตื่นใหญ่เป็นทางเสื่อมนั่นหะที่เจาบอกไว้เมื่อไหร่ปัญญากาปฏิปตาปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างผู้ดใด ป, ปฏิบัติกับว่าผิด ชั้นรวมมินซีหตาหงายจมูกรีดกายใจม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรส ถ, ถูกต้องโพธภพด้วยกายเย็นร้อนอนแข็งรู้ธรรมอารมณ์โดยใจโพอเนมัจันลิตารู้จักจประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยคําว่าไม่มากไม่น้อยเพียงไหนถ้าทานอาหารไปแล้วยังอีกสี่ห้าคำจะอิ่มละก็จงหยุดเสียและดื่นน้าก็พอดี เรียกว่ารู้จักประมาณอาหารเท่านั้นคําเท่านีค้คําพระบระมศาสดาก็ไมได้บัญญัติไว้<ม>บัญญัติไว้แต่เพียงว่ายังอีกสี่ห้าคำจะอิ่มก็ให้หยุดเสียดื่มน้าเข้าไปก็กพอดี<ม>เรียกว่ารู้จักประมาณในการกินอาหาร<ม>ท่านผู้ใดง่ว ง, ง, งเมาเมานอนมากท่านผู้นั่นยาฉันอาหารจุเน้อพระบระมศา ส, าสาดาบอก กินจนท้องกางพออิ่มแล้วก็ตาสายหาที่นอนไม่นานพอห้านาทีก็หลับลองเรียกหาพ่อพ่อพ่ออยู่มเจอเรื่องนะเพลินเหรอลองเรียกหาพ่อก็หลับแล้วพ่อพ่อพออยู่นะมั้ยเจอเริ่นงนะเพลินเหรย่านเพิ่นบม่ได้กินย่านบม่ได้กินหลายทอเพิินย่านบ่ได้นอนหลายทอเพิิน ญาตไม่ได้ใส่ของฟีฟพีทอเพินญาต ม, มา่มีรมียศทอเพินญานม่หจักงา จ, จักโนมทอเพินญาตโดยใจควหมอาตม่มีระมียศไม่มีสรเสริญไม่มีสุขในทางอามิทอเพินก็ประทานองนค์ไดพี่ขั้ตะเกียรตะกายอันนั้นยึจใจบ่ขืนเลยบ่ท่านมูเขา hmm. เสียสระบดข้าเท่าแล้วมาได้อามันหึมเองมันอกอกญาตโยม ตะกี้ไผมาหงมเฮามีไผ่บาหงมเฮาแล้วเขาอหอดบางหงมเอาเฮาเกิดพุ่นช่ามือหนึ่งไปจักขีมข่ ม, มุ่ง่าขี่ม้าเหงือกไปจั๊กของดีของสัวยังมีตามภาษาเนี่ยฉันจีฆานเทศฉันจีฆานเวอกผู้มุ่งมาดีก็มีผู้มุ่งมาสัวก็มี่สารพัดครบดคือน้าของอะไรพัดขี่มากกัมี่ไรพัดแกวตายก็มี่ไลพัดเหล้าตายมากกัมีขี่ต้องหันก็มี่เงี้ยวต้องหันก็มี่ ผู้มีปัญญาเขากับผุ่นไปดูดเอาหินมาขายเฮ้าโยานอันเดียวกันกับผู้มุ่งมาดีผู้มีปัญญาไปดูดเอาหินเอาทรายมาขา ย, ยาผู้วมีปัญญาเนี่ยกูพ่มากคือศพไรหน้ า, นา ม, มาหันลังวันเขาามาวัดก็ได้ม้าละฟันยังไงบอกังเส้นยังเสีบ่บอกไปเแถวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนังสือหมู่บ้านใน่ะใส่เนี่ย สุชัยเอาอ่านแม่นั่น เ, เข้าใจว่าคนมากนี่แปดธันวาคมสองพนร้อยี่บกับเท้าท่านพ่อแม่คุบาอาจารย์ป้ราเขมะปะโตลูกได้รับเทพธรรมะของลูกปู่สามมวนโดยสามเณรสุกใสเป็นผู้จัดส่งกระฟรีมาด้วยความชอบขอพระคุณยิ่งความเคารพรับคุบาอาจารย์ ประทับใจลูกตลอดมาจึงได้เอาอกาศมา ก, กราบห้วงฟูหนทางที่ว่าไกลยังใกล้กว่าพระนิพพานการปฏิบัติของลูกจิต ด, ดิ่งๆอยู่เช่นนี้เสมอเวลาพิจนาอนัตตาก็ดิ่งอยู่อีกด้วยความเมตตาสั่งสอนของลูกปูสักวันหนึ่งคงได้ท่วนกระแสรโรคสู่กระแสรพระนิพพานโดยมีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พาดาเนิน ขอให้รูกผู้มีโรคประจําตัวที่ไม่กําเริก ม, มีอายุยืนนานเกินร้อยปีขึ้นไปเพื่อจันโลงภาษาสนาของภาษาสุดาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นร่มโพร่มใสแกผู้ปฏิบัติทุกชนชั้นด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะลูกสุเจติราวรณ์จิตอภัยเจตุพรโคคาใสาจุ ด, จดาา ท, ที่ขั้นไม้แล้วเ ข, ขามานี่มีแจ่คน มนล่ำมาล่อบูกหอยเจ้บปกหอยหมดโมเมนต์นคขลาัวาด้ด้นี่พวกพวกนึกห น, น่อยผู้หญิงนเนี่ยอยู่ประมาณสัก3ามสิบปีนะอยนายุตั้งใจพ่อหน้าจุดหมายสาว ร, รับกอรได้ฟังธรรมเทศนามากเราะฉันกองทุ ก, กข์ก็ถเขามาปล้นบ้านที่ฉันเราฉนมันรู้ว่าเพรฉันจมันสนุกฟังเทศเพราะนมว่า ทังเทศกอกถูกทังเทศเวทไผ่ในวัดตสาสงสารมันกับเป็นเรื่องหนุนแต่มันเบื่อมันนายเขาเจ๊ใ่้ที่นี่ท่านอาจารย์มหาปินเคยอธิบายเหมือนกันพูดพอรู้ภาษากันได้ก็เอาละละเอ่ยมันเป็นสมมุติเช่นพวกปักใตพ้พูดพอสั่นแับไปไนี่แล้วเพราะท่านจะด่วนไปไหน พอท่านมาต่ อ, ตอรือพรท่านมาเมื่อไรเราไปฟังเขาพูดเดือนหนึ่งจึงเข้าใจจะกวดอย่างนี้เราไปพูดเขาก็ไม่รู้อีกละเขาบอกว่าแล่นแ่นเหมือนกันแล่นแล่นแลแต่แต่ผิดจำเนียงอีกเก่งอย่างนี้เขาก็ไม่พูดเขาก็พูดฟานเหมือนกันแต่ผิดจำเนียงพี่ นกปูเป็นฝีจะรักษาแผลมันเอาหัวมันออกแล้วคุณโยมคุณโยมต้องการใบฝรั่ง ม, มีัหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่นี่มันก็มีอยู่ที่วัดต้นหนึ่งนี่นี่นี่อย่ามูอย่ามูที่เราขึ้นไปควรข้างบนไปพักอยู่คนเดียว ชมาสมันมาหาแล้วมันมันมาตามตามต้นไม้มาตามเทวันกระโดดตูมตูๆตูมตู ม, ต ม, มาแล้วก็ปีนขึ้นต้นตาลพื่อก็ไปกัดจินผลของมันแล้วก็ฉายไฟดูหน้าตาของมันขาวขาวส่วโตวเรามาเล่าให้เขาฟังแล้วก็บอกว่า สมมติตัวหนึ่งไปหาอาตมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนี้หมดซั่งหมดซั่งหมดซั่งเขาไม่ว่าสมมติแค่แล้วแต่บางคําก็ตรงกันเพระพาะภาษาคําพูดมันเป็นสมมุติพอเข้าใจกันก็เอาล้วเช่นทานอาหารอย่างนี้พระเขาเรียกว่าฉัน สมเด็จพระบรมราชาก็คงเรียกว่าสวยภรกรยาหารภาษามาคตศก็บอกว่าพุนชันติภาษาจีนก็คงจะบอกว่ายะพึ่งหรือบึ่งก็ไม่ทราบส่วนยวนก็บอกว่าอันเกิมน่มันสมมติสมมติมมตทั้งหลายอยู่ใต้อำ น, นาจอนิจจังเหมือนกันเกิดพื่อแนวแปรปรวนได้แต่สลาย ว่าสมมุติกันก็สมมติแต่ในกองนำรูปเท่านั้นถึงนั้นที่เป็นกองนำรูกถึงนั้นก็เกิดขึ้นแปรปรวนและแตกต่อส่วนพระนิพพานก็มีแต่ชื่อแต่รถของพระนิพพานนั้นนอกจากพาระอรหันต์แล้วไม่มีใครได้ดื่มรถของพระสวดาวันก็เหมือนกันรถพระสัพทาคามีก็เหมือนกั น, กนรถพระอนาคามีก็เหมือนกันพวกที่มีโรคโกรธหลง มันก็ได้ดื่มแต่รถรถของโลภของโกรธของหลงเท่านั้นพวกที่พวกที่เบาไปก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นรถ อ, อีกเบื้องพวกที่หายไปหมดก็คือพระอรหันต์จำพวกเดียวยืนยงคงทนก็คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสอนคําเดียวกันไม่ได้ลบล้างกันเลย พราะเราจึงได้สวดว่าสัตถังสัพยันชนะเกวราปริปุนังปริสุทธังพรมจริยังประกาศเสสิบริบูนทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องกลางทั้งอัฏฐพยัญชนะไม่บกพร่องไปทางไหนแต่มาหังปกวันดังในภูธยาเมตตามาหังปกวันดังเิทักานามามิจึงของนอบน้อมโดยเสียงก้าวตลอดถึงธรรมด้วยตลอดถึงพระอริยสงฆ์ด้วย คำสอนใดๆที่ปีนเกลียวไปในทางพุทธศาสนาจนมองมาเห็นริปลีแลทัทธิอันนั้นจะนิยมสมมติกันทั่วทั้งโลกก็ไปไม่รอดเพราะโลกพระบรมศาสดาสอนโลกก็มีบทที่สำคัญอยู่ทําเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกอยู่สองอย่างนี่คืความละอายต่ำเบา โอตะ ป, ปะจะรุ่งกลัวต่อบาปจะเป็นที่คุ้มครองโลกได้สิงไหนที่ พ, อพ่อภูลมาให้ละอายออกาบบาปมาให้กลัวต่อบาปจะเป็นกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฏพวกจกเพียงใดก็าตามก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะบรมศาสนาไม่ได้ยืนยันว่าลูกระเบิดปรมาณู นิวคียร์หรืออะไรต่ออะไรอาวุธยุทธภัณฑ์เป็นเครื่องปกครองโลกบอกว่าความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโลกถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีกลัวต่อบาปแล้วทําความชั่วในที่แย้งไม่ได้ก็ไปทําในที่ลับไม่ว่าอีกก็ถูกอีก จริงเพลงทีเดียวโกฎของธรรมกฎของวินัยไม่ได้อยู่ในหัวใจของมนุษย์มันอยู่กับตัวหนังสือไม่ได้อยู่กับหัวใจแต่ละท่านละคนก็เป็นของลาอําบากปกครองยากเหมือนกันเ <há bit> พียงชิ้นห้าเท่า น, นั้นจะสะดวกแล้วโลกนอนก็หลับตาเพราะไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้าง ถ้าบริบูรณ์ชิ้นห้าบริบูรณ์แล้วกฎหมายกฎหมู่กดพักกดพวกก็ไม่จำเป็นจะบัญญัติแห้มากเพราะท่องลาบากเท่านั้นมาตาเท่านี้มาตราตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านคุกก็ไม่ต้องมีตำรวจทหารก็ไม่ต้องมีชาวโลกจะสนุกมากสมบัติของชาวโลกห้าประการประกอบด้วยศรัทธา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 ทำของขาอราวาสสี่สะสั์ซื่อแก่กันธมะรู้จักข่มจิตของตนขันตีอดทนกาคะสละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างยาตนีเกินไปนะัจังกหาวัตถุสี่อย่างท้านะสละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นปิยะวายจาวายจาที่อ่อนหวาน อัยิยาปรุถุถิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสมาณาตาเป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตัวคุณที่ทั้งสอย่างนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของท่านผู้อื่นไว้ได้นั่นสุขของคุณหัสสี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่จาจทรัพย์ บ, บริโภคสุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษสุขเกิด แต่ความมีทรับยุกเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคไม่ฝืดเครื่องนักไม่ฟูมไฟนะักซุกเกิดแต่ทำมาฮเรื่องชีวิตโดยทางที่ชอบและทำงานที่ปฏิจักติโทษถึงสุขเหล่านี้จะมีอยู่ก็จริงแต่ก็อยู่ใต้อำนาจอนิจังอีกเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนในแต่สลา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 คำสอนใดๆในใจโลกธาตุจะเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีเลยสอนจิตสอนใจของมนุษย์และเทวดามารพรมจึงทรงพนามว่าศรัทธาเทวดมนุษย์สาดังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนได้ทั้งคนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงไม่จนมุมแต่ใครจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตาม เหมือนกับฝนพอถึงควลาตกก็ตกใครต้องการน้าจะเอาหรือไม่เอาก็ก็ขึ้นอยู่กับผู้ต้องการไม่ได้บังคับ